นาปติวานพิชฌณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ924 1. ภิกษพิณีแสดงอานิสงส์แล้วห้าม 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่9จบ